ตังรรมไม่ค่อยชัดเจนก็ตอนนี้ขอเชิญนั่งสมาธิไปพางๆก่อนเดี๋ยวพอฝนเบาลงแล้วพอเสียงชัดเจนขึ้นจะพูดธรรมะต่อไปวิธีนั่งสมาธิก็คือนั่งหลับตา แล้วก็บริกรรมพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปหรือดูลมหายใจเข้าออกไปอย่าคิดเรื่องนั้นอยากคิดเรื่องนี้ให้พุโทโธไปหรือดูลมหายใจไปไเรื่อยๆแล้วใจจะเบาจะเย็นจะสบายจะมีความสุขตอนนี้ฝนหยุดหมดเวลาพอดี เกือบชั่วโมงหหนาทีก็จะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวะหาปูราปริกโเลติสาคลังเอวเมวะยุโตทินังเปตานังอุปกปติยิชิตังปติตังตุมหังคิะเมวะสมิชจตุ สัพเพบริ่งโตสังกปาจันโทปนาราโสยธามณิจฌติราโสยธาสัพพิโยวิวัจันโตสัพพะโรโขวินาศตุมาตเตพวตุอันตาราโย สุขีทีขายุกโกภวะอะิวะันสีิทสะนิจังอุทาปจายโนจตารุตรัมมาวทานติอายุวันโอสุขังอาลางังช่วงต่อไปนี้จะ เป็นช่วงถามคำถามใครอยากจะถามอะไรก็เชิญถามได้ในช่วงนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ทางบ้านผู้ติดตามมีเท่าไหร่ค่ะทางเฟซบุ๊กหนึ่งรอยสเก้าคน y o u t u b ปดสิบสี่คนวิทิวออนไลน์เจ็ดคน รัฟังบนเขาสามสิบคนรวมทั้งหมดสองอห้าสิบคนคะ่ะสองร้อยห้าสิบหายหมดหนั่งสมาธิหาย ห, หมดที่นี่หนีไม่ได้ฝนตกก็เลยต้องนั่งกันเกือบชั่วโมงได้บุญเยอะนะฟังเทศก็ได้บุญแต่นั่งสมาธินี่สำคัญกว่าว่า มีปัญญาแต่ไม่มีสมาธิก็เอาไปใช้ค่ากิเลสไม่ได้ไม่มีกําลังสู้มันต้องมีทั้งปัญญามีทั้งสมาธิถึงจะสามารถที่จะเอาชนะกิเลสได้เราจึงต้องควรพยายามานั่งสมาธิกันบ่อยๆนั่งมากๆความจริงมันไม่ยากใช่นั่งดูลมหายใจนั้นเอง น่ายกว่าไปทํางานอทํางานเป็นชาวนาชาวไร่ก็ต้องไปกดเดินไปไถนาไปยกข้าวของต้นไม้อะไรโอ้ยเนหน็ดเลยผลที่ได้ตอบแทนก็สู้ผลที่ได้จากการนั่งสมาธิไม่ได้ความสุขที่ได้จากการทํางานทําการนี่ได้ไม่จี่สตัง ถ้าเปรียบกับความสุขที่ได้นี่เป็นแสนเป็นล้านได้แต่ไม่ทำกันชอบทำของยากทำของยากแต่มีรายได้ต่ำอของง่ายมีรายได้สูงไม่ชอบทำกันงแต่ให้นั่งเฉยๆฉยนั้น นั่งดูลมหายใจเข้าออกเข้าออกไปหรือพุทโทพุทโธไปอนต้งมันอาจจะรู้สึกเอิดอัดมันไม่เคยมันไม่เคยอยู่เฉยเฉยเคยคิดเคยทําอะไรอยู่ตลอดเวลาพอให้นั่งเฉยเฉยไม่ให้คิดอะไรมันก็เรรู้สึกอึดอัดขึ้นมาแ ต, แต่ถ้าเราทนไปอย่าไปสนใจดูลมไปหวง โดยรวมไม่เห็นจะยากเย็นตรงไหนทําไมต้องมาเอิดอัดด้วยเอิดอัดไปก็ช่างมันมันมันมันไม่ค่าเราหรอกความเอิดอัดนีถ้าเราไม่สนใจเราดูรวมไปเรื่อยๆเดี๋ยวความเอิดอัดมันก็หายไปหายไปแล้วที่นี่นั่งสบายเบามีความสุขไม่อยากจะลุกนี่แหละคือความสุข ที่เหนือกว่าความสุขทั้งตวงัวนัตติสันติพลังสุขขงังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีถ้าเปรียบเทียบราคาของความสุขอันนี้ก็สุขยิ่งกว่าสุขของมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกลก็แล้วกันเราก้าท้าเลยว่าความสุขของเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกกับความสุขที่ได้จากความสงบไม่ ต่างกันเหมือนฟ้ากับดินพวกเราโชคดีพระพุทธเจ้ามอบมราดกให้กับพวกเราพวกเราเป็นทายาทของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทิ้งมาราดกอันล้ำค่าไว้ให้พวกเรามีความสุขมากกว่ามาหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกใด้เรามา รับมารดกกันด้วยการปฏิบัติตามคำสอนมาเผิดนั่งสมาธิทาใจให้สงบไม่เห็นยากเย็นตรงไหนนั่งดูละครดูเป็นชั่วโมงดูได้นั่งดูลมมันก็เหมือนกันก็ดูเหมือนกันแทนที่จะดูละครเราก็ดูลมไปลมเข้าลมออกลมเข้าลมออก ลมเข้าลมออกแค่นี้เองหรือไม่ฉะนั้นก็พุทธโธไปพุทธโธไปสลับกันก็ได้พุทธโธบ้างลมเข้าลมออกบ้างก็ได้ขอให้ใจมีอะไรทําเพื่อจะได้ไม่ไปคิดฟุ้งซ่านเพื่อใจจะได้นิ่งได้สงบจะได้เบาจะได้สบายจะได้มีความสุข พอเราทำสมาธิไปแล้วเราไม่ต้องไปทำงานให้เหน็ดเหนื่อยทำอย่างมากก็ทำแค่อาหารอย่างพระนี่ก็ทำวันละชั่วโมงตอนเช้าก็ออกไปบิณฑบาตไปหาอาหารมนาะเลี้ยงชีพเท่านั้นเองพอแล้วแค่นี้สำหรับเรื่องของร่างกาย หาอาหารให้ร่างกายกินสักมื้อหนึ่งก็พอละนอกนั้นก็เอาเวลามาอยู่กับความสงบนะถึงแม้จะทำอะไรใจก็สงบได้ถ้าใจสงบจากสมาธิแล้วเวลาออกจากสมาธิมาเราก็รักษาให้มันสงบได้โดยการมีสติจดจอ่ออยู่กับงานของเราที่เราทำกัน ไม่ว่าเรากำลังทำอะไรก็ให้มีสติเดินก็ให้มีสติกับการเดินรับประทานอาหารก็ให้มีสติกับการรับประทานอาหารทำความสะอาดเช็ดกวาดปัดถูอะไรต่างๆล้า ง, างถ้วยล้างชามล้างบาศัด้าซักผ้าซักจีวร ก็มีสติเนี่ยปฏิบัติไปเหมือนกับนั่งสมาธิแทนที่จะดูลมก็ดูร่างกายไปแทนควบคุมความคิดอย่าให้คิดเท่านั้นเองให้อยู่กับงานที่ทำเพียงอย่างเดียวพอเสร็จภารกิจงานก็ไปนั่งต่อนั่งออกมาก็มาทำอะไรต่อไม่มีอะไรทำก็เดินจงกรมต่อเดินไปเดินมา ทำอย่างนี้ไปจนถึงเวลาพักผ่อนหลับนอนเดินขึ้นมาก็ทำต่อแล้วต่อไปจะมีความสุขมากๆต่อไปไม่ต้องทำอะไรใจมันจะสงบของมันเป็นธรรมชาติไปแม่ว่าจะทำอะไรก็ไม่ต้องคอยควบคุมมันพอมันเชื่องแล้วมันอยู่กับความสงบได้แล้ว มันไม่วิ่งไปหาเรื่องนั่นเรื่องนี้เิ่งไปหาสิ่งนั่นสิ่งนี้แล้วก็ไม่ต้องไปควบคุมบังคับมันมันก็จะไม่มีอะไรที่จะต้องมาเครียดกับมันนี่คือการหาความสุขที่มากกว่าความสุขของมหาเศรษฐีที่เป็นมรดกที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้กับพวกเรา ให้พวกเรานำมาปฏิบัติกันไม่ยากหรอกขอให้เราเชื่อแล้วมีศรัทธามีความยินดีที่จะน้อมนำาอาไปปฏิบัติลองทำให้มันจริงจริงชงสักปีหนึ่งด้เลยลองลาออกจากงานหางเงินไว้สักก้อนไว้สาหรับจ่ายค่ากับข้าวกับปลาค่าน้ำค่าไฟแล้วก็มาลองปฏิบัติอยู่สักปีหนึ่ง ทุ่มเทให้กับการปฏิบัติเนี่ยเนี่ยนี่คือเราทําอย่างนี้เนะี่ยตอนต้นเราก็ได้หนังสือธรรมมาพออ่านแล้วก็เข้าใจว่าจะต้องปฏิบัตินและต้องปฏิบัติตลอดทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับก็เลยขอลาออกจากงานนพอดีมีเงินเหลืออยู่ก้อนหนึ่งคํานวณดูแล้วว่าพออยู่ได้ สบายถ้ากินมื้อเดียวกินวันล ะ, ละมือ้อสมัยก่อนอาหารก็ถูกกว่าสมัยนี้ข้าวตี๋ชามละสองบาทข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงสาบาทกินส อ, สองชามก็อิ่มละว้าวตี๋ชามข้าวหมูแดงข้าวมันไก่5บาทเท่านั้นเองวันค่าอาหาร เดือนละ1้อยห้าสิบบาทเนี่ปีหนึ่งก็พันกว่าบาทพันแปดร้อยค่าอาหารสำหรับผู้ปฏิบัติสมัยก่อนอยู่ได้แค่นี้วันละแค่นี้สมัยนี้ก็ลองคูณเพิ่มขึ้นไปหน่อยค่าของชีพมันแพงขึ้นดีย๋ยวนี้กว๋วยเตี๋ยวมันชามลสามสนะิบมันสิบเท่าของเมื่อก่อนสิบห้าเท่าของเมื่อก่อน ก็ลองหาเงินไว้สักก้อนหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องไปทำอะไรหาที่อยู่คนเดียวสู้กับกิเลสไปเนี่ยสู้กับความอยากต่างๆด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิอ่าน ห, หนังสือธรรมะฝึกสติทำแค่นี้แหละเดี๋ยวกิเลสมันก็ยอมแพ้เองเดี๋ยวจิตก็เย็นสบายสงบ ทีนี้ก็พร้อมไปบวชได้ตอ น, นต้นไม่กล้าไปกลัวเดี๋ยวจะอยู่ไม่ได้เพราะไม่เคยถูกจับกับขังไว้ในกรง<ม>การบวชนี่เหมือนกับจับนกขังไว้ในกรงจับหมาขัางไว้ในกรงหมามันชอบเที่ยวชอบเล่นมันก็จะอึดอัดนจิตใจเราเป็นเหมือนหมาเนี่ยมันชอบเที่ยวชอบเล่นมันไม่ยอมอยู่ในกรง เราก็เลยต้องซ้อมไว้ก่อนลองหัดขังตัวเองไว้ในกรงทั้งปีหนึ่งเลิกเที่ยวเลิกคบเพื่อนไม่ยุ่งกับใครทั้งนั้นอยู่คนเดียวอยู่กับธรรมะอยู่กับปริยัติคืออ่านหนังสือธรรมะอยู่กับการปฏิบัติคือเดินจงกรมนั่งสมาธิจเจริญสติพิจารณาความไม่เที่ยงของร่างกายเกิดแก่เจ็บตายก็จะได้ มีอะไรคอยข่มกิเลสไม่ให้มันไปหลงไหลกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายจากโลกนี้ไปไปหามาได้มากน้อยเท่าไหร่ไปเที่ยวมาสนุกสนานมากน้อยเพียงไรพอมันผ่านไปมันก็เป็นเหมือนความฝันดีๆนี่เมื่อคืนนี้เราฝันว่าเราเป็นมหาเศรษฐีพอตื่นขึ้นมามันก็ผ่านไป ชีวิตของเรานี่มันเป็นความฝันแต่ละวันก็เป็นแต่ละบทของความฝันความฝันของเมื่อวานนี้ก็หมดไปเดี๋ยวความฝันของวันนี้ก็หมดไปน้มันเป็นหนังสือที่เราเปิดอ่านเนี่ยเดี๋ยวก็ไปถึงหน้าสุดท้ายหน้าสุดท้ายก็จบชีวิตก็มีเท่านี้จะไปเอาอะไรกับมัน เอาอะไรไปก็ไม่ได้อ่านหนังสือจบเอาหนังสือไปเข้าไปกับใจก็ไม่ได้ก็ได้แต่ความทรงจำว่าอ๋อเคยทำอย่างนั้นมาเคยมีอย่างนั้นมีอย่างนี้แต่มันไม่ให้ความสุขความอิ่มนะความทรงจำแบบนี้มันกลับจะทำให้ความหิวความเสียดายความอะไรเอาวอนอ๋ยเมื่อก่อนเรามีความสุขแต่ตอนนี้หมดซะแล้ว ตอนนี้เราแก่แล้วใกล้จะตายแล้วหาวความสุขไม่ได้อีกแล้ ว, วบรรพายของชีวิตก็จะเป็นความทุกข์ทุกข์ยิ่งกว่าขอทานข้างถนนมหาเศรษฐีพระเจ้าแผ่นดินประธานาธิบดีพอถึงบนปลายของชีวิตก็ทุกข์ยิ่งกว่าขอทานทุกข์กันขอาทานมันทุกข์แต่มันก็ยังทำอะไรได้อยู่ มันทุกข์ก็ทุกข์นิดๆทุกข์เพราะว่ามันทำอะไรที่มันอยากจะทำไม่ได้แต่เมื่อมันรู้ว่าทำไม่ได้มันก็ทำใจขอทานมันก็ไม่ค่อยทุกข์เท่าไรมันก็อยู่ตามสภาพของมันไปแต่คนที่เคยทำอะไรได้มาตลอดพอมาถึงเวลาที่จะให้ไม่ให้ทำอะไรนี่มันทำใจไม่ได้มันถึงทุกข์ทรมานยิ่งกว่าขอทาน ขอทานมันมันมันต้องทำใจตั้งแต่มันเกิดมามันก็เลยชินคนยากจนจนไม่มีจะใช้จะทเที่ยวจะอะไรเขาก็ไม่ทุกข์เหมือนกับคนรวยที่พอไม่ได้เที่ยวขึ้นมานทุกข์มากกว่าคนจนเพราะเคยเที่ยวแล้วมันติดเป็นเหมือนยาเสพติดนะแล้วไม่เคยทำใจหยุดมันพอต้องหยุดมันโดยถูกบังคับ เพราะร่างกายไม่คับสบายหรือร่างกายแก่หรือไม่มีเลี่ยวไม่มีแรงตอนนั้นมันทำใจไม่ได้นะถ้าไม่ฝึกทำใจมาตั้งแต่ต้นพวกขอทานพวกคนยากคนจนนี่เขาทำใจมาตั้งแต่เกิดเขาก็ยินดีกับสภาพที่เขามีอยู่เขากลับไม่ทุกข์เหมือนกับเศรษฐี คนที่เคยเป็นเศรษฐีแล้วมาเป็นขอทานนี่ทุกมากแต่คนที่เกิดมาเป็นขอทานนี่ไม่ทุกเหมือนกับคนที่เป็นเศรษฐีแล้วมาเป็นขอทานนี่แหละตอนนี้พวกเราต่อไปจะต้องเป็นขอทานกันตอนนี้เราต้องมาหัดทำใจมาให้เป็นขอทานกันอยู่แบบขอทานกันอยู่แบบกินข้าววันละมือแล้วก็งดเที่ยวงดใช้เงินใช้ทองงดหา ความสุขจากสิ่งต่างๆแบบเศรษฐีเขาทํากันมาหัดอยู่แบบขอทานอยู่กันวันวันหนึ่งนั่งอยู่แถวหน้าศูนย์การค้านั่งอยู่แถวสะพานลอยแล้วก็รอไปครเมตตาใส่เงอนมาก็รับไป อ, อได้มาก็จะได้ไปซื้อกับข้าวกับปลาอาหารมากินถ้าขาดเสื้อผ้าหรืออะไรก็ซื้อไปแค่นี้ก็มีความสุขนะ อยู่แบบขอทานแล้วพอแก่เวลาเจ็บเวลาตายก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนเพราะว่ามันทำใจได้แล้วมันเคยอยู่แบบนี้มาตลอดก็ไม่เดือดร้อนไม่ได้ไปเที่ยวก็ไม่เดือดร้อนไม่ได้ไปชอปปิ้งก็ไม่เดือดร้อนไม่ได้ไปงานต่างๆก็ไม่เดือดร้อนไม่ดูไม่ฟังไม่อะไรทั้งหลายแหละไม่เดือดร้อน นี่เองนะคือการปฏิบัติคือการกำลาบกำจัดความโลภความอยากต่างๆที่เวลามันทำไม่ได้มันจะทุกข์ทรมานใจมากเวลาทำได้มันก็สนุกโอ้อยากไปเที่ยวไหนก็ไปได้อยากจะดูอยากจะฟังอะไรก็ไปได้ทำได้สนุกสนานดี เดี๋ยวมันต้องมีสักวันอะที่มันจะทำไม่ได้วันนั้นล่ะอยากคิดฆ่าตัวตายกันคนแก่สมัยนี้ในประเทศที่จเจริญมั่งคั่งเนี่ยมีเงินมีทองแต่เที่ยวไม่ได้มีแต่ความเจ็บปวดตามร่างกายจากโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมฆ่าตัวตายดีกว่า นั่นลหะคือผลสุดท้ายของพวกเศรษฐีพวกที่หาความสุขกันตอนที่มีกำลังวังชาพอาเวลาไม่มีกำลังวังชามีแต่ความเจ็บจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่นี้มันไม่อยากจะอยู่นะมันอยากจะฆ่าตัวตาย แต่ถ้ามาฝึกอยู่กันแบบนี้ก้างตาก่อนที่มันจะเป็นนะพอถึงเวลาเป็นแล้วมันก็เฉยเฉยไม่เห็นจะตื่นเต้นหวาดเสียวตกใจตรงไหนนั่งสมาธิไปเมื่อกี้ชั่วโมงเนี่ยไหมแยบชั่วโมงมันก็เจ็บบ้างมันก็ทนได้ถ้ามีพุโทโธมีพุโทโธมีการดูลมหายใจไปมันก็ไม่เดือดร้อนอะไรต่อไปมีโรคภัยไข้เจ็บปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้ก็ เฉยๆได้ไม่กินยาแก้ปวดก็ได้เนี่ยตั้งแต่บวชมาไม่เคยกินยาแก้ปวดไ ม, ม่ไม่เคยพกยาแก้ปวดปวดก็ใช้ธรรมโอสถ ด, ดีกว่าใช้สติใช้ปัญญาใช้สมาธิทำใจให้นิ่งเฉยเป็นอุเบกขาแล้วมันก็อยู่กับมันได้มันไม่หายหรอกแต่มันไม่มันไม่เดือดร้อนมันไม่มากดดันมันไม่มาเบียดเบียนจิตใจ มันไม่ได้ทำมาให้มันไม่มาทำให้จิตใจทุกข์ทรมานตัวความเจ็บของร่างกายมันไม่มาเบียดเบียนเราหรอกไอ้ตัวที่มาทำให้เราทรมานมันตัวกิเลสของเรานะตัวความอยากให้ความเจ็บมันหายไปพอมันไม่หายก็ทรมานคนเราไม่ชอบความเจ็บพอเจอความเจ็บแล้วจะเครียดขึ้นมาจะอยากให้มันหายยิ่งอยากยิ่งเครียดใหญ่ยิ่งทรมานใหญ่ ไม่รู้จักวิธีปฏิบัติกับความเจ็บของร่างกายวิธีก็คือเนี่ยทําใจเฉยๆพุโทโธไปดูลมไปเหมือนตอนที่เรานั่งสมาธิท่านั้นเองแล้วใจก็จะปล่อยวางความเจ็บได้ไม่เดือดร้อนกับความเจ็บอยู่ด้วยกันได้เป็นมิตรกันดีกว่าเป็นศัตรูกันนะถ้าเราอยู่กับคนสองคนนี่ถ้าเป็นศัตรูกันนี่เหนื่อยไหมคอยดันคอยผักคอย อะไรกันอยู่ตลอดเวลาสู้ปรับมาเป็นมิตรกันดีกว่าไหนๆจะต้องอยู่ด้วยกันก็ยกธงขาวอายอมแพ้ไม่ต่อสู้ เ, เฉยๆเขาจะว่าอะไรเขาจะทำอะไรก็ปล่อยเขาทำไปเดี๋ยวเขาเหนื่อยเขาก็อย่ดเองเอถ้าไม่มีการตอบโต้มันก็เหมือน ก, นกับตบมือข้างเดียวมันไม่ดังหรอกถ้าจะให้มันดังต้องตบสองข้าง เ้าตบเราทีเราตบเขาทีโอ้ยมันกันใหญ่วางเราตบเ้าแรงหน่อยเขาก็เลยตบกลับมาแรงกว่าเก่าเดี๋ยวก็ใช้หมัดอะพอตบแล้วมันไม่พอมันต้องใช้หมัดเดี๋ยวก็ใช้เท้าเดี๋ยวก็ใช้มีดใช้ปืนอ่ะถ้าเป็นสัตรูกันมันจะเป็นอย่างนี้มันจะต่อสู้กันแต่พอมาฝึกให้เป็นมิตรกันนี่เดี๋ยวมันก็ ต่างคนต่างอยู่กันไม่รู้จะไปต่อสู้แล้วเมื่อเขาไม่ยอมสู้กับเราแล้วใช่ไมยอมหยุดเย็นสูสตรสามยอยอมแพ้หยุดต่อสู้แล้วใจก็จะเย็นใหม่ๆก็ปล่อยให้เขาทุบเขาตีเขาด่าเขาพูดไปสักพักเดี๋ยวเขาเหนื่อยเขาก็หยุดเองไม่เชื่อลองไปพูดไปทุบไปตีเสาดูสิเนี่ยไปด่าเสาไปทุบไปตีมัน้วยมันไม่ตอบโต้อะไรมันก็เฉยอ้พี่อยากจะตีก็ตีไปอยากจะ ด่าก็ด่าไปเดี๋ยวคนทําก็เหนื่อยเองคนดา่าคนทุบตีเสามันก็เหนื่อยเองมันก็หยุดเองเราทำตัวให้เป็นเสาให้ได้แล้วสบายทำใจเราให้เฉยให้ได้แล้วจะสบายไม่มีใครจะมาทำอะไรใจได้ทำได้ก็แค่ร่างกายร่างกายก็ปงมันยังไงก็ไม่มีใครทำมันก็ทำตัวมันเองอะ ร่างกายเดียวมันก็ทำตัวมันเองด้วยความแก่ด้วยความเจ็บด้วยความตายอยู่ดีนั้นไม่มีอะไรถ้าพอทำใจให้เป็นอุเบกขาแล้วปัญหาต่างๆก็จบไม่เดือดร้อนสบายสุขสบายสงบอยู่ภายในใจข้างนอกร่างกายอาจจะเจ็บปวดอย่างไรก็ไม่เป็นปัญหาอะไร อี่แหละประโยชน์ที่เราได้รับจากการที่เรามาฝึกนั่งสมาธิกันพยายามทําอยู่บ่อยๆทําให้มันจนติดเป็นนิสัยแล้วมันจะไม่ยากใหม่ๆ ม, มันยากเพราะเราไม่เคยทําเหมือนกับหัดใช้มือที่เราไม่เคยใช้เนี่ยเนี่ยเรามีสองมือใช่ไหมส่วนใหญ่เราจะใช้มือเดียวมือขวาหรือมือซ้ายแล้วแต่ถนัด แต่สมมุติว่าถ้าเรารู้ว่าอนาคตมือที่เราถนัดนี่มันจะใช้ไม่ได้เราคดเราจะทำยังไงเราก็รีบมาหัดใช้มือที่เราไม่เคยใช้ดีกว่าพอเราหัดใช้ไปสักพักต่อไปก็ชํานาญใช้ได้เหมือนกับมือที่เราถนัดทีนี้ก็สบายพอมือที่เราถนัดใช้ไม่ได้เราก็ใช้มือใหม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันตอนนี้เราใช้ร่างกายหาความสุขกัน ต่อไปเราก็รู้ว่าเราใช้ร่างกายหาความสุขไม่ได้เราต้องใช้ธรรมะหาความสุขกันเราต้องใช้ใจใช้ใจหาความสุขต้องใช้ธรรมะใช้สติใช้สมาธิเราก็มาฝึกกันเลยมาทํากันเตรียมไว้ก่อนต่อไปพอร่างกายหาความสุขไม่ได้เราก็ใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาหาความสุขเราก็จะไม่เดือดร้อน เราก็จะมีความสุขต่อไปจนถึงลมหายใจสุดท้ายแล้วไม่ใช่ถึงหายใจสุดท้ายหมดลมหายใจก็ยังสุขต่อไปก็ใจสุขก็เป็นใจเทวดาไปไปสุขคติไปแทนที่จะเป็นข้าวตัวตายแล้วก็ไปตกนรกต่างๆอย่าคิดว่าข้าวตัวตายแล้วจะไม่มีโทษตามมาข้าตัวตายแล้วเนี่ยไปติด ไ่ตกนรกในขมเกือบอนันตาริยกรรมเนี่ยพอๆกับอนันตาริยกรรมนี่คือปัญหาของคนที่ประมาทไม่มองอนาคตของตนเองว่าจะต้องเป็นอย่างไรจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจะไม่สามารถหาความสุขผ่านทางร่างกายได้ไม่เลี่ยััดหาความสุขทางใจ เดี๋ยวพอถึงเวลาก็จะคิดฆ่าตัวตายกันแต่ถ้าหาความสุขทางใจได้จะไม่เดือดร้อนร่างกายมันไม่มีแรงก็ไม่เป็นไรนั่งเฉยๆมันไม่ต้องใช้แรงนั่งสมาธิไม่ต้องใช้กำลังกายใช้กำลังใจคือใช้สติสู้กับความคิดปรุงแต่งเท่านั้นเองพยายามฝึกไปกันนะ เวลาจะน้อยลงไปเรื่อยๆร่างกายจะอ่อนแรงลงไปเรื่อยๆและบางทีอาจจะอ่อนแรงแบบปุกปับก็มีมีโรคภัยแค่เจ็บแบบไม่รู้ตัวก็มีมีคนทำงานที่วัดอยู่ดีๆก็เป็นออมาเพิกไปก็มีเมื่อก่อนก็แข็งแรงทำอะไรได้ทุกอย่างอยู่ดีวันดีคืนดีอา้าวเป็นออมาเพิกขึ้นมาซะแล้วทีนี้ทำอะไรไม่ได้ ทำได้ก็ไม่มากอย่าประมาทความประมาทคือความตายผู้ไม่ประมาทเป็นผู้ไม่ตายคือไม่ตายคือผู้ไม่ทุกข์ผู้ประมาทจะต้องเจอความทุกข์ผู้ไม่ประมาทจะพ้นจากความทุกข์ได้ฉนั้นคอยคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายเพื่อกระตุ้นความเพียรกระตุ้นความขยันให้เรามาฝึกหาความสุขทางใจกัน ต่อไปเราก็จะหาความสุขทางใจได้หาได้สองอย่างมีทางเลือกเหมือนสมัยนี้รถเขามีให้เลือกสองอย่างใช้น้ํามันก็ได้ใช้ไฟฟ้าก็ได้เห็นไฮบริดเราก็ต้องเป็นไฮบริดกับเขาเป็นทั้งใจเป็นทั้งกายหาความสุขทางกายก็ได้เมื่อถึงเวลาจะต้องใช้กายหาก็หาไปเมื่อถึงเวลาใช้กายไม่ได้ก็ใช้ใจหาต่อได้ พอน้ำมันหมดก็ใช้ไฟฟ้าขับรถต่อไปได้สลับกันไปนี่แหละคือสิ่งที่เราทำได้และควรจะกระทำและทำให้มากทำมากเท่าไหร่มันก็จะคล่องแคล่วว่องไวจะสบายมากขึ้นเท่านั้นจะเร็วขึ้นทำช้ามันก็จะจะช้าจะยาก ถ้าทํามากแล้วมันจะง่ายงั้นลองเอาเวลามาสักปีอย่างที่เราทามานี่ลาออกจากงานแล้วก็ไปหาที่อยู่คนเดียวแล้วก็ไปอยู่วัดได้ก็อยู่ั่งวัดเขาก็ให้อยู่เป็นภ้าขาวไปก็ได้แล้วก็ปฏิบัติเหมือนกับพระอย่างวันนี้ผู้ชาย มาขออยู่ก็ให้อยู่อยู่แบบพระเช้าก็ไปบินตบาทช่วยพระถ่ายบาทบิณตบาทเสร็จก็แบ่งอาหารให้กินกินเสร็จก็ช่วยกันกวาดถูสาลาเก็บกวาดอะไรทําเหมือนกับพระทุกอย่างพอเสร็จก็กลับมาอยู่บนเขามีที่อยู่คนๆละที่นคนละมุมกันมีที่เดินจงกรมมีที่นั่งสมาธิ เดี๋ยวตอนบ่ายเนี่ยเดี๋ยวตอนที่เราเลิกประชุมเขาก็จะมากวาดลานวัดกันเสร็จแล้วก็มาดื่มน้ำปานะเสร็จแล้วก็กลับไปอาบน้ำอาบท่าแล้วก็เดินจงกรมนั่งสมาธิถ้าได้ถ้าได้อยู่วัดแบบนี้สบายไม่ต้องเสียเงินเลยแทบจะไม่ต้องเสียเงินเลยบางคนนี่มาอยู่เป็นเดือนเป็นปีผ้าที่บวชอยู่บนเขานี้ส่วนใหญ่จะให้อยู่อย่างนี้สักปีหนึ่ง พวกาาชาวต่างชาติมาบอกอยู่แบบนี้ไปก่อนอยู่แบบหัดหัดเป็นพระไปก่อนเป็นพระฝึกขัดไปก่อนยังไม่เป็นพระจริงพออยู่ได้ปีนึงแล้วก็อ่ะไปบวชได้แล้วก็บวชแล้วก็จะไม่ค่อยเสร็จ ก, กันบวชพราอยู่ได้แล้วควบคุมใจได้แล้วแต่ก็ไม่ทุกคนนะบางคนก็อยู่ไม่ได้ก็มีบางคนก็มีเหตุการณ์ บ, รบังคับพ่อไม่สบายก็ ต้องลากลับบ้านไปดูแลพ่อดูแลแม่ก็มีเอาแนละ้วนะนะนี่แหละคือวิธีที่เราจะเจอกับทำข้อสอบของเราในอนาคตเวลาที่เราแก่เราเจ็บเราตายนอกจากทำข้อสอบแล้วยังทำให้เราไม่ต้องกลับมาทาข้อสอบซ้าอีกด้วยเพื่อไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปถ้าเราทำข้อสอบนี้ผ่านได้ เราก็จะไม่ต้องกลับมาทำข้อสอบอีกต่อไปตอนนี้มีคำถามไหมอ้าคำถามเข้ามาค่ะจากผู้ฝากถามบนเขาค่ะพระอารหันต์ท่านสามารถกำหนดได้หรือไม่ว่าจะให้อธิของร่างกายท่านเองกลายเป็นพระาธาตุก็ได้หรือไม่เป็นก็ได้ครับ ในเมื่อสมัยพุทธกาลพระท่านอยู่ตามถาม้าเงื้อมผาคนไม้แปลว่าถ้าท่านมรณภาพไปก็จะมีพระธาตุอยู่ตามถาม้าตามเงื้อมผาตามป่าที่ท่านอยู่อย่างนี้หรือเปล่าครับก็แล้วแต่ว่าท่านตายแล้วมีคนก็อาสพท่านไปทำชาปน ก, กิจทําอะไรหรือเปล่าส่วนยญ่พระนี่จะมีลูกศิษย์ไม่ใช่อยู่คนเดียวอย่างง่าว ย, ยาโสมก็ต้องรู้เพราะต้องไปบินธรรมบัะ ฉะนั้นคิว่าคงจะไม่มีปล่อยให้ศพ ข, ของพระตายแล้วทิ้งอยู่ในถ้ำพอชาบ้านไม่เห็นพระสักสองสามวันก็ต้องมาตามาหาดูแล้ว่าเป็นอะไรไปหรือเปล่าส่วนเรื่องร่างกายนี้ไปบังคับมันให้มันเป็ น, ปนาธาตุไม่ได้มันเป็นเรื่องของร่างกายเพียงแต่ว่าจิตของพระอรหันต์นี้เป็นจิตที่สะอาดที่จะซักพอกให้กายเป็นาธาตุได้ มันเป็นเรื่องของธรรมชาติไม่ใช่ไปเรื่องของไฟฟ้าที่จะเปิดจะปิดได้ถึงแม้เป็นพระอรหันต์ถ้าเวลาซักพอกาธานมีไม่นานก็กระดูกก็ไม่เป็นพระาธาตุก็มีเช่นเป็นพระอรหันต์ได้ไม่กี่วันกี่เดือนก็ตายไปเวลาที่จิตบริรสุทธิ์จะซักพอกธานมันมีไม่มากก็จะไม่ได้กลายเป็นพระาธาตุ แต่ถ้าเป็นมาหลายปีอย่างนี้รับรองว่าต้องเป็นพระาธาตุกันหมดแล้วเหรอค่ะคำถามต่อไปจากคุณธัญญาค่ะหากเราซักผ้าเราดูอาการเคลื่อนไหวร่างกายแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องดูว่าตรงไหนสกรปรกหรือขัดเพิ่มเช่นนี้เราคิดไปแล้วอย่างนี้จะมีสติจดจ่อกับงานแบบไหนคะ ก็อยู่ไงก็คิดกับเรื่องงานอย่าไปคิดถึงแฟนคิดถึงขนมคิดถึงกาแฟความหมายให้คิดอยู่กับงานที่เราต้องทำมันก็ต้องคิดบ้างทำงานมันก็ต้องคิดแต่มันคิดน้อยคิดเฉพาะเขาเรียกเฉพาะอะไรเฉพาะเหตุที่เราต้องคิดเท่านั้นเองจะหยิบผ้าใส่เข้าไปในน้ำมันก็ต้องคิดลแต่มันคิดเรื่องที่มันอยู่ในปัจจุบันอยู่คิดไม่ให้ไปคิดถึง อนาคตอดีตคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนีเ้เวลาทำงานมันก็ไม่คิดมากงานที่ต้องทำมันนิดน้อยคิดนิดหน่อยท่านเองคิดได้มันต้องคิดมันต้องรู้ว่าต้องทำอะไรเราฉนั้นถ้าคิดอยู่กับงานคิดได้ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ถ้าอยากจะหยุดคิดก็ต้องหยุดทำงานแล้วก็ไปนั่งเฉยๆนั่งหลับตา ที่ให้ที่ให้ทำอย่างนี้เพราะอย่างน้อยได้ประครับประคองสติไว้ไม่ให้ไม่ให้ใจมันคิดเล ย, เ, ลยเถิดคิดเท่าคิดเท่าที่จําเป็นจะต้องคิดเนี่ยพออยากจะหยุดคิดพอหยุดงานก็ไปนั่งหลับตาทีนี้หยุดคิดได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่ถ้าไม่ปล่อยไม่หยุดไม่ควบคุมตอนที่ทํางานปล่อยให้มันคิดตะอลิดเปิดเบิงเดี๋ยวพอมานั่งมันหยุดยากแต่ถ้าเราคอยคุมไว้ตลอดเวลา คิดเฉพาะงานที่เราทำพอไม่ทำปั๊บมันก็หยุดคิดทันทีพอมานั่งมันก็ไม่คิดอะไรก็สงบได้ง่ายได้เร็วคคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะถ้าเราถือสินแปดแต่ไม่หุมไม่ห่มขาวแต่ขอใส่เสื้อยืดสีขาวกางเกงดำได้ไหมคะได้ทั้งนั้นอนะ่ะไม่ใส่เสื้อผ้าอะไรก็ได้ เวลาอาบน้ำก็ไม่ได้ใส่เสื้อผ้ามียค่ใช่ไหถือินลแปดแล้วตอนที่อาบน้ำอ่ะแต่ว่าให้มันดูกับความเหมาะสมนั่นเองว่าเราอยู่ที่ไหนถ้าอยู่คนเดียวเราแต่งอะไรสบายๆของเราก็ อ, อย่าไปวุ่นวายกับการแต่งเนื้อแต่งตัวพูดง่ายๆไม่ไม่ต้องการมาเสริมความงามหาความสุขจากการเสริมสวยความงามของร่างกายไม่ต้องการสร้างภาระให้กับจิตมากเกินไป ใส่เสื้อผ้าที่ซักง่ายสวงง่ายสองตัวเสื้อเยืดตัวกางเกงตัวนี่มันสบายถ้าไปแต่งชุดนัด่นชุดนี้โอ้เดี๋ยวต้องส่งออกไปที่ร้านซักรี่เด็กต้องขับรถออกไปนอกที่ข้างนอกบ้านีเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตขึ้นมาให้ใส่แบบเรียบง่ายจะได้ไม่ต้องวุ่นวายก็เรื่องการแต่งเนื้อแต่งตัวตามสูตรของชาวพุทธเราก็นิยมขาวนุ่งขาวห่มขาวบ้างนุ่งขาว นุ่งดำห่มขาวบ้างก็มีทางภาคอีสานทางสายปฏิบัติท่านจะนิยมนุ่งนุ่งดำห่มขาวแต่ทางภาคกลางนี้เขาจะนิยมนุ่งขาวห่มขาวมันก็เท่านั้นน่ะมันเป็นเครื่องแบบถ้าเราอยู่กับเขาเราก็ต้องทำตามที่เขาทำแต่ถ้าเราอยู่ บ, บ้านเราคนเดียวเราจะใส่อะไรก็ได้คำถามต่อไปจากคุณปีอันันค่ะสามีภรรยาญาติพี่น้อง เมื่อเสียเมื่อเสียชีวิตไปแล้วมีโอกาสได้เจอกันและใช้ชีวิตร่วมกันอีกหรือไม่ครับก็ตามหลักที่พุทธเจ้าสอนว่าถ้าทำอะไรพร้อมๆกันมันก็มีโอกาสเนี่ยตายตายก็ต้องตายพร้อมๆกันจะได้ไปเกิดพร้อมๆกันเนี่ยถ้าคนหนึงตายแล้วอีกคนตามไปที่หลังอีกสิบปีเดี๋ยวไปเกิดเป็นน้องไม่ทันกันแล้วมันก็ต้องทาทุกอย่างพร้อมกัน เหมือนกับรถเนียถ้าจะให้รถมันวิ่งไปที่ไหนด้วยกันก็ต้องพ่วงมันไว้ถ้ามันพ่วงนี่มันก็ไปไหนพร้อมกันแต่ถ้าไม่พ่วงเดี๋ยวเวลาขับไปคันหนึ่งช้าคันหนึ่งเร็วคันหนึ่งไปติดไฟแดงคันหนึ่งไปซะก่อนนี้ตามไม่ทันนะงั้นถ้าอยากจะไปเจอกันพบหน้าชาติหน้าก็ต้องทำอะไรด้วยกันพร้อมๆกันทุกอย่างตายก็ต้องตายพร้อมกัน มัันนจจะได ไ, จได้ปเอกคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามค่ะหากชาตินี้เราพยายามในฐานะค า, ารวาสอย่างเต็มที่ที่ทำได้หากไม่สำเร็จในมรรคเป็นผลเลยชาติหน้าจิตเราจะจำได้ไหมคะก็อยู่ว่ามันเป็นนิสัยไหมถ้ามันติดเป็นนิสัยก็มันก็จะทำต่อไปถ้ายังไม่เป็นนิสัยยังล้มลุกคุกคานอยู่ มันก็อาจจะไม่ไปทำต่อเน้นต้องทำให้มันเป็นนิสัยให้เป็นสันดานขึ้นมาแล้วมันก็จะไปทำต่อคนที่ทำบุญจนเป็นนิสัยเป็นสันดานไปเกิดพบไหนชาติไหนก็จะทำบุญคนไหนทำบาปเป็นนิสัยสันดานไปเกิดชาติไหนมันก็จะไปทำบาปเห้นต้องทำให้มันเป็นนิสัยเป็นสันดานขึ้นมาแล้วมันก็จะไม่ลืม แต่ถ้าทําแบบนานทีปีหนุ่นเนี่ยปีหนึ่งปีใหม่ทําสักครั้งวันเกิดทําสักครั้งข้าวหน้ามันไปเกิดมันอาจจะทําแบบนี้ไมันก็ไปทําตามที่มันเคยทําชาตินี้ชาตินี้เคยทําตามวันเกิดตามวันขึ้นปีใหม่มันก็จะทําตามวันเหล่านั้นไปเคยทําอะไรมันก็จะทําเหมือนเดิมเพราะว่ามันเป็นคนเดิมเ่ยร่างกายมันก็เป็นเพียงแต่ เครื่องมือรุตุ๊กตาหรือหัวโขนที่จิตเอามาสวมใส่เราเคยทำอะไรต่างๆโดยที่ไม่มีใครสอนเราเนี่ยแสดงว่าเราเคยทำมาแล้วคำถามต่อไปจากคุณสางค่ะการนั่งสมาธิได้บุญมากกว่าการสวดมนต์ใช่ไหมครับถ้าไม่เน้นสวดมนต์เน้นนั่งสมาธิได้ไหมครับได้ทั้งนั้นอะเพียพงแต่วาจะทาได้หรือเปล่า คนที่เขายัางนั่งสมาธิไม่ได้เขาก็อาศัยการสวดมนต์นำไปก่อนเพราะการสวดมนต์ก็เป็นการฝึกสติเพื่อให้เวลานั่งจะได้ควบคุมความคิดได้แต่ถ้านั่งได้เลยก็ไม่ต้องสวดก็ได้แล้วแต่กแล้วแต่กำลังของสติหมดนั้นแหละคำถามต่อไปจากคุณวิชานคะ่ะคำถามที่หนึ่งคะ่ะโรคเวรโรคกรรมมีจริงไหมครับ มันไม่เป็นโรคอ่ะมันเป็นเรื่องกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วผู้ที่ได้ดีได้ชั่วไม่ใช่ร่างกายคือจิตใจเป็นผู้กระทาและเป็นผู้รับผลของเวรของกรรมไปเกาะเวรก็มีคนก็จะมาจองเวรเราเราไปด่าใครดูเนี่ยเดี๋ยวเ้าก็จะตามมาด่าเราเนี่ยไปทำลายเขาเดี๋ยวเขาก็ต้องมาตามตามมาทำลายเรา ถ้าเราไม่ไปทําร้ายเขาเขาก็ไม่มาทําร้ายเราคําถามที่สามค่ะสมมุติว่าโรคมะเร็งเป็นโรค ก, กรรมการกินยารักษาจะทําให้การใช้เวรกรรมได้ไม่เต็มที่หรือเปล่าครับโรคมะเร็งไม่ใช่โรค ก, กรรมมันโรคของร่างกายก็บอกแล้ววันที่พูดถึงนี่เป็นโรคเรื่องกฎแห่งกรรมมปนเรื่องของจิตใจเรื่องของร่างกายมันเกิดจากการมาเกิดน ถ้าอยากจะรักษาไม่ให้มันมาเป็นโรคมันเ็งก็อย่ามาเกิดมันก็ต้องมาแก้ที่ที่ใจเองเพราะใจเป็นตัวพามาให้มาเกิดก็ต้องมาปฏิบัติทำมากําจัดความอยากต่างๆให้หมดไปแล้วก็จะไม่มาเกิดแล้วโรคต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ก็จะไม่มีเพราะไม่มีร่างกายมาให้โรคมันอยู่เนี่ยร่างกายเนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยของโรคเข้าใจม่ พอมีร่างกายปั๊โลกมันก็รีบเข้ามาทันทีแล้วโลคต่างๆมันก็ใช้ร่างกายนี้เป็นที่อยู่อาศัยของมันพอเราทำลายที่อยู่อาศัยไม่สร้างที่อยู่อาศัยขึ้นมามันก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีร่างกายมันก็จะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บตามมาเอาคำถามสุดท้ายค่ะคำถามจากคุณชอบเพชรค่ะทาอย่างไรให้ใจอยู่กับปัจจุบันเจ้าคะก็เนี่ยฝึกสติพุทโธพุทโธ เดอให้อยู่กับการเคลื่อนไหวต่างๆเดี๋ยวมีชาวต่างชาติอยากจะถามคำถาม Oh Sorry uh, could you explain that in Thai because I I, I understand it but it's my Thai friends that they <Okay. S 1> don't understand you You want me to speak in Thai if you don't mind please. Okay <Thank S 2> สักกายาทิธิคือความเห็นว่าขันห้าเป็นตัวเราเป็นเราเป็นตัวเราขันห้ามีห้าอย่างคือหนึ่งรูปคือร่างกายเวทนาคือความรู้สึก สัญญาคือความจําได้หมายรู้สังขารคือความคิดปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสทั้งห้าอย่างนี้เป็นสภาวะธรรมร่างกายเป็นสภาวะธรรมทำมาจากดินน้ํำลมไฟไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายตายไปก็กลับคืนสู่ดินน้ํำลมไฟส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นมาจากใจ มีการเปลี่ยนไปมีการเกิดการดับอยู่ตลอดเวลาคิดเรื่องนี้แล้วก็หยุดคิดแล้วก็ไปคิดเรื่องนั้นก็เรียกว่าเกิดดับพอเกคิดเรื่องนี้ก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมาพอคิดเรื่องนั้นก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาพวกนี้เป็นเหมือนกับหิ่งห้อยแสงหิ่งห้อยเกิดดับเกิดดับไม่มีตัวตนไม่มีใครมาคอย ทาให้มันเกิดดับเกิดดับมันเกิดดับตามธรรมชาติของมันใจไปหลงคิดว่าใจเป็นสิ่งเหล่านี้ใจเป็นผู้คิดใจเป็นผู้รู้สึกใจผู้รับรู้ความจริงใจไม่ได้เป็นใจเพียงแต่ผู้รู้เฉยๆเท่านั้นเองรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ทำงานเหมือนกับกล้องเนี่ยกล้องโทรศัพท์มือถือนี่มันไม่มีตัวตนคนใช้ก็เพียงแต่มาใช้มัน มันก็มีหน้าที่รับเสียงส่งเสียงรับรูปส่งรูปอะไรไปของมันขันห้าก็มีหน้าที่รับรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็วจัดการกับรูปเสียงกลิ่นรสตามความสั่งของความคิดต่างๆนี่คือเรียกว่าขันห้าสักกายทิฏฐิอย่าไปคิดว่าเป็นเราอย่าไปคิดว่าร่างกายเป็นเราอย่าไปคิดว่าความรู้สึกเป็นเรามันเป็นธรรมชาติเหมือนฝนตกดดออกเกิดเกิดดับดับไปตามเหตุตามปัจจัยต่างๆ คืออย่าไปควบคุมบังครับมันอยากไปอยากให้มันสุกอย่างเดียวเนี่ยทุกคนอยากจะให้มันสุกอย่างเดียวพอมันทุกข์ก็เลยร้องโจกกันร้อ ง, องจ้า ก, กันเพราะไม่เข้าใจธรรมชาติถ้ามาฝึกหัดจิตใจให้รับกับสุกกับทุกข์เอย่างที่เรามาฝึกสมาธิเนี่ยมาสอนจิตใจให้มารับกับการเปลี่ยนแปลงของขันของขันห้าเราควบคุมบังคับมันไม่ได้ บ่อยมันเปลี่ยนไปตามเรื่องของมันบางส่วนบางเวลาเราก็ควบคุมได้แต่ไม่ใช่ทุกเวลาเวลาควบคุมได้ก็ดูแลกันไปเวลาควบคุมไม่ได้ก็ต้องทำใจแล้วก็จะไม่ทุกข์กับมันโอเคโอเคก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงแนวเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ